ว่าจอเกิดอะไรพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ yeah. รู้แค่เพียงวันนี้ต้องลุยไม่อยากนังรอให้มันหมดวันมันคงต้องเดิมพันอันนี้ที่ใจมันรู้ ฉันต้องไปชีวิตจะขึ้นจะลงสักทางคงได้เข้าใจเป็น แข็งกว่าใครและบอกตรงๆว่าไม่มั่นใจแต่จะเกิดอะไรอีกเดียวก็คงได้รู้โอ้ทั้แม้ไม่เห็นปลายทางทังไม่มีแสงรำไรแค่คิดว่าฉันต้องเสียงแค่รู้ว่าฉันต้องไปชีวิตจะขึ้นจะลงสักพักคงได้เข้าใจเป็นอย่าง ฉันงมันแต่เกิียดตั้งไกลไขว้คว้าคนเราทัดต่อไปไม่ยอมปล่อยฝันของฉันให้รอวังตายไม่มีประโยชน์